รัฐธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องตั้นหา เป็นก้อนใครก้อนมันมีเจตนาพร้อมจึงว่ามโนปุพังเขามาทามามโนเศทามโนมยาทาทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสุดถึงแล้วด้วยใจจะทําคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จแล้วด้วยใจจะทําบาปก็สาเร็จด้วยใจ ผู้ที่มีใจมีโทษปทุสร้ายอยู่แล้วมีโลภะโทสะโมหปะปทุสร้ายอยู่แล้วมนะสาเจปทุเถนะใจอันถูกปทุศร้ายอยู่แล้วภาสติวากโกรติวาจะพูดก็ดีพูดก็มีคำหยาบช้ามีคำเศร้าหมองมีบาปความเดือดร้อนจะพูดก็ดี จะทำอยู่ก็ตามโทษก็ข่มคออยู่นั่นมีแต่ตกต่ำอยู่นั่นตะโตนางทุกขมณะเวติทุกติดตามไปอยู่จากกลางวะวะหาโตประทังคนผู้โทษปทุสร้ายเอาแล้วใจไม่ดีแล้วเพราะใจเอาอารมณ์ทั้งหลายคืออารมณ์ที่ชอบใจมาหมกเข้าที่ใจ อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เอามาหมกไว้ที่ใจให้มันเผาใจกรัดกรุ้มอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนก็ไม่สุขเดินก็ไม่สุขนั่งก็ไม่สุขนอนก็ไม่สุขอันนี้แหละใจไม่ดีมีโทษปัทุสราอยู่แล้วมีราคะโทสะโมหะความหลงอยู่แล้วมันจะได้ความสุขอย่างใดล่ะ เหมือนกันกับโคเข็นภาระอันหนักไปอยู่ทุกตามไปอยู่ล้อตามมันไปอยู่แอกถูคอมันไปอยู่ขมคอมันไปอยู่จนบาดเจ็บคอปนเอามันไปอยู่อย่างนั้นเลยไม่ต้องมีความสุขแล้วเราเอามาอบรมเดี๋ยวนี้คือให้ออกจากเครื่องกังวลเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั้งหลาย คือคารวะมันประกอบด้วยเครื่องกังวลออกจากอารมณ์ออกจากความแต่งความปรุงทั้งหลายทั้งปวงได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อมาวัดในวันพระมีสี่หนในเดือนหนึ่งออกเพื่อเนคขมมะความออกออกจากสิ่งทั้งปวงออกจากเครื่องกังวลทั้งหลายเนคขมมะต้องออกจากบาป จากความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีเมื่อออกมาแล้วมันจึงได้กายวิเวกเรียกว่าเนคขมมะออกจากเครื่องกังวลออกจากบาปกรรมออกจากของดำของมืด อ, ออกมาที่วิเวกแล้วมันจึงสงบสงัดมันจึงได้ความวิเวกของใจสงบใจสบายใจวันหนึ่ง คือหนึ่งอันนี้ชื่อว่าพักแรมของใจชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้สงการรักษาอุโบสถท่านพันธนาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดได้ชื่อว่าออกจากกองไฟไฟอะไรละ่ะจะมาร้อนกว่าไฟธรรมดาก็มีกามนั่นแหละเป็นต้นเหตุอันนี้ออกจากกาม พวกเราออกมาทาความสงบจิตใจชั่วครั้งชั่วคราวได้ออกมาจากเครื่องกังวลคือได้กายวิเวกกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนอย่างด้วยกายวิเวกเมื่อหมั่นได้กายวิเวกแล้วมันจะเป็นเหตุให้จิตวิเวกจิตสงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายสงัดจากกามฉันทะจากพยาบาทจากถิ น, นามิทะ จากอุทธะจากกุกุจจากสงัดจากวิจิกิจชาความสงสัยลังเลไม่แน่ใจไม่ตกลงใจนี่เมื่อได้กายวิเวกก็เป็นเหตุให้เกิดจิตวิเวกเมื่อได้จิตวิเวกแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกก็คือความที่มีจิตแน่วแน่ลงไปถึงอัปปนาสมาธิ อปนาชาแนนแฟนเมื่อถึงอุปทิวิเวกเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นคือญาณทัศนะญาณังความรู้ทัศนะความเห็นญาณทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงของอัตภาพร่างกายสังขารเป็นอย่างไรเมื่อได้อุปทิวิเวกแล้วมันจะเห็นสังขาร ร่างกายของตนเป็นของแตกของพังของทำลายแล้วร่างกายของตนนี่เป็นภัยเป็นอสารพิษเบียดเบียนตนทุกข่ำเช้าทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนเป็นภัยใหญ่แล้วร่างกายนี้มันเป็นโทษอันนี้แหละเรียกว่าความเห็นทัศนังครั้นรู้ว่า ร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วเราเข้าใจว่าแม่นของเราแต่มันเป็นอื่นมันไม่ไว้ท่าเราสักหน่อยไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันก็ไม่ฟังถ้าเป็นของเรามันต้องฟังเราอันนี้มันบอกฟังจึงว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเราก็เอามันมากำหนดอย่างนี้แหละ กำหนดพิจารณาร่างกายของตนให้มันเห็นตามความเป็นจริงไว้ยถาภูตยานทัศนังนั่นแหละเห็นว่าร่างกายเป็นของแปรปรวนเป็นของแตกดับเป็นของสลายไปชื่อว่าเห็นภัยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าว่ามันจะมีความเบื่อหน่ายความกลัวเห็นมันเป็นอสสารพิษ เป็นงูจงอางมาขบกัดอยู่ทุกวันทุกคืนมีแต่เจ็บแต่ปวดบ่มีความสบายมันเจ็บมันปวดอยู่ชื่อว่ามันเป็นทุกข์ผู้มาพิจารณาเห็นร่างกายเป็นอย่างนี้แล้วสัพเพสังขาราอนิจาติยะาปัญญายะปัสสติอัฏนิพพินทติทุกเข เสะมะโววิสุทธิยาผู้มาพิจารณาเห็นร่างกายอย่างนี้เห็นอัตภาพของตนเป็นอย่างนี้ย่อมมีความเบื่อหน่ายร่างกายอันนี้ย่อมเป็นผู้หมดจดเป็นยานความรู้อันหมดจดบริสุทธิ์ของผู้นั้นสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏฐานิพินทติทุกเข เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์ย่อมเบื่อนายอันนี้เป็นความเห็นอันบริสุทธิ์ของผู้นั้นสัพเพธรรมมาอนัตตาติยะทาปัญญายะปสติอัถฐนิพพินทติทุกเขเมื่อผู้มาพิจารณาเห็นอัตภาพทมทั้งหลายคือสกลกายของเราทุกรูปทุกนามมันเป็นอื่นแล้ว ไม่เป็นเราแล้วย่อมมีความเบื่อหน่ายในธรรมอันนี้ก้อนธรรมอันนี้สกลกายอันนี้เบื่อหน่ายในสังขารธรรมมีความปรุงความแต่งอันนี้เมื่อเบื่อนายก็คลายกำหนัดคือความยึดมั่นถือมั่นในขันนี่แหละมันจึงวางภาระขันห้านี้เป็นภาระอันหนัก ที่ทับคอเราอยู่คําว่าขันเป็นของรวบรวมสิ่งทั้งปวงเข้าเหมือนขันข้าวขันหมากขันอันอย่างก็ตามเอาของมาทับใส่มันล่ะอันอย่างก็เก็บกวาดใส่เต็มขันนั่นแหละมันก็หนักนั่นแหละเป็นทุกอันหนักล่ะพาราฮเวปัดจากขันทาขันห้าเป็นทุกเนอ ภารหาโรจากปุขะโลชีวิตคือขันห้านำไปเป็นทุกภาราทานังทุกขังโลเกผู้ยึดถือขันห้าแล้วไม่พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจว่ามีตัวตนแล้วก็เป็นทุกอยู่ในโลกนั่นแหละภาระนิเคปนางสุ ข, ขังผู้ปล่อยวางขันห้านี่แล้ว ไม่ยึดไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วผู้นี้แหละเรียกว่าเป็นผู้วางภาระอนากนิขิดปิตวาครุงพารังอังยังพารังอนาธิยะผู้ปล่อยวางแล้วไม่ยึดเอาอื่นอีกขันห้านี้ไม่ยึดเอาเป็นตัวเป็นตนแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้ขุดเสียขุดขึ้นเสียซึ่งตัญหา ขุดขึ้นทั้งรากนิจฉาโตประเนิพุโตจัดว่าเป็นผู้เที่ยงแล้วเที่ยงต่อพระนิพพานใกล้พระนิพพานแล้วเข้าถึงปากทางพระนิพพานแล้วครั้นเข้าไปหมดตนหมดตัวแล้วความรู้รวมแล้วมันก็รู้ว่าตัณหาความดิ้นรนมั่นเผาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเรียกว่าความดิ้นรน ตันหาคือความใคร่ความใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมันเป็นตันหาครั้นดิ้นรนอยากได้แล้วก็อยากเป็นทีนี้มันเป็นตันหาขึ้นอยากเป็นคืออยากเป็นอินพรหมเป็นจักรพัชเป็นเศรษฐีขหบดีอยากเป็นเพราะตันหามีตันหาสาม ความใคร่เรียกว่าการตัญหาความดิ้นรนอยากได้เป็นภวะตันหาวิภาวะตันหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเหมือนผมหงอกฟันหกักร่างกายหดเหี่ยวตามืดตาโมวความแก่ไม่อยากเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบก็ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตัญหา มีความขัดเคืองปัญหานี้เป็นเหตุให้จิตใจเกิดทุกข์เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาให้เห็นทุกเสียก่อนอันใดเป็นทุกข์อัตภาพร่างกายหมดทั้งก้อนนี้เป็นทุกข์ทุกข์มาจากความเกิดครั้นเกิดมาเป็นก้อนเป็นสกลกายแล้วก็เป็นกองทุกข์เป็นกองไฟนี้แหละให้พิจารณาให้มันเห็นทุกข์ ทุกพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะชาติความเกิดก็เรียกว่าตัวธรรมดาให้รู้เท่าตัวธรรมดาเสียตัวธรรมดามันเกิดอยู่ธรรมดานั่นแหละมันมีเกิดอยู่เป็นธรรมดาในโลกมันมีอยู่อย่างนี้แหละให้รู้เท่าธรรมดาเสียธรรมดามันเป็นที่เรานึกอยู่ดีดีละ นึกจะทุกมันก็ทุกทุกมันมาจากไหนต้องสาวหาเหตุทุกมันมาจากเหตุทำทั้งหลายไหลามาแต่เหตุเหตุคือความอยากความดิ้นรนความใคร่ความชอบใจแล้วความอยากเป็นอยากมีความไม่อยากเป็นไม่อยากมีมันมาจากนี้ครั้นรู้ว่ามันมาจากนี้แม้นทุกจะเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะความอยากเป็นอยากมีอยากเป็นภพเป็นชาติอยู่มันมาจากนี้แต่ว่าให้ปล่อยวางเสียต้านหานี่ปล่อยวางเสียสำรอรขึ้นเสียปร่งเสียอย่าอาลัยในความอยากเป็นอยากมีความใคร่ความชอบใจในอารมณ์ก็ดีความไม่ชอบใจไม่พอใจก็ดี ให้ปล่อยให้วางเสียทำเสียจนปล่อยทุกข์ได้ปล่อยวางตันหาความอยากความทะเยอทะยานนี้ได้แล้วได้ชื่อว่าปล่อยตันหาเสียก็ได้ตันหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโโปตินิสันโคมุตติอนารโยมุตติว่าหลุดพ้นจากตันหาอาเสสวิราคะนิโรโธ ไม่ได้มีความอาลัยอาวร์ความยินดีความชอบใจความไม่ชอบใจไม่มีเศษไม่มีอะไรมาติดอยู่ในใจใจผุดผ่องใจเบิกบานใจผ่องใสใจนั่นแหละเรียกว่าพุโทโธตื่นแล้วตื่นแล้วจากตัญหารู้แล้วพุโทโธพุทธะว่ารู้รู้หน้าตาของตัญหาแล้ว